ที่ไปเจอมานี้ก็อยู่ในมิลินท์ปัญหาเหมือนเดิมนะครับท่านท่านกล่าวไว้ว่ า, าพระอาทิตย์ย่อมโคโจรเป็นประจำชันใดพระโยคาวาจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงทำโยนิโสมนัสิการเป็นประจำฉันนั้นเหมือนกันนี่แสดงว่าแม้ต้องมีการโยนิโสมนัสิการเป็นประจำทีเดียว นะครับคือต้องคิดให้เป็นกุศลได้ติดต่อกันไปนะครับใครทําได้มากนาอยแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านบอกว่านกจากพราร์คไม่รู้ไม่รู้นกอะไรนะชนิดไหนนะในคมภีร์ บ, บอกนกจากพาราคย่อมไม่ยอมละทิ้งคู่ของตนจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดชันใดประโยคาวจรผู้บําเพ็ญเพียร ก็ไม่พึงละทิ้งโยนิสมมนุิการจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดฉันนั้นเหมือนกันนี่จะเห็นว่าเป็นข้อความที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายมากนะครับตัวคิดอย่างไรจะยคิดฉลาดแล้วก็อ่าเป็นเรื่องของสัมมาสังกัปปะนะฮะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากมากเลยคิดตลอดชีวิตนะฮะนี่ครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไม่ไม่ทิ้งโค่แลยเนาะ ตรงนี้เรานึกถึงว่าการเจริญสติปฐานเป็นต้นนะคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธมีประภาค่ะนะซึ่งหมายถึงอธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาและก็อธิปัญญาสิกขาในในสิกขาสามเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอริยศัตย์ ทรัพย์ภายนอกเนี่ยนะถ้าคนที่มีพวกของมีค่าไปที่ไหนเนี่ยคนอื่นเขาจะมาแย่งมามาฉกมาชิงเนี่ยนะโหเอาไว้แน่นเลยนะกอดไว้แน่นบางคนนี่ยอมตา ย, น, ยนะนะตายไปพร้อมกับทรัพย์เลยนลั่นแหละเขาบอกว่าต้องเจ้าของตายก่อนนะ่จึงจะเอาทรัพย์ของเขาไปได้ทรัพย์ที่เขาห่วงแหนเนี่ยนะเขาจะเขาจะห่วงแหนทนุถนอมขนาดนะยอมตายเลยนะอย่างได้เพชรเม็ดหนึ่งเท่าโป้งมืออย่างเงี้ยสมมดนะ โอ้โหหวงมากธนุถนอมมากอย่างเงี้ยโจรมาจะมาหยิบอะไม่ได้ต้องข้ามศพไปก่อนนะจึงจะเอาเอ า, เอาเอพศอันนี้ไปได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในาศาสนาของพระศาสดาะนะั้นแะเขามองศรัทธาของเขาเป็นต้นเป็นทรัพเป็นทรัพซึ่งสามารถที่จะนำให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการก็คิดดูนะว่าภิกษุที่มีศีลดีเป็นต้นนี้เนะี่ย ถ้าปรารถนาความเป็นมนุษย์เนี่ยหรือปรารถนาความเป็นเทพเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำนะว่าเมื่อศีลดีๆเป็นต้นเนี่ยนะจะตู่ปริสูรที่ศีลที่รักษาได้สมบูรณ์เนี่ยนะจะน้อมไปเพื่อเกิดในภพภูมิใดก็ได้นะในสวรรค์หกชั้นเนี่ยนะจะน้อมไปภพภูมิใดก็ได้ในมนุษย์มหาศาลกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลน้อมได้นะแล้วถ้าศีลดีๆนะเป็นไปเพื่อสมถะ สมถะเนี่ยให้สมบัติในพรหมโลกได้ตามสมควรนั้นนั้นถ้าเจริญสมถะจนถึงได้ฌานสี่เป็นต้นมีอายุห้าร้อยมหากรัมมันเป็นทรัพย์ขนาดไหนพรหมเนี่ยนะพรหมเนี่ยมีเพชรเท่ากับภูเขาสีนในรั่วมันไม่ใช่โป้งมืออย่างที่เราแบบแบ บ, แ บ, บเราๆนะอย่างเทวดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะชั้นสูงหน่อยวิมานก็ เ, เป็นทองหมดแล้วนะถ้าคนมีบุญในิเหล่านี้ก็จะเป็นทองให้หมดเลยแปรสภาพมาเป็นทองได้ คนมีบุญจริงๆนายปุณณะเนี่ยไถนาเนี่ ย, น, น, น, ยนะไอ้ขี้ไถเนี่ยเป็นทองได้เลยเศรษฐีคนหนึ่งหมดบุญนะไอ้ทองที่บ้านเป็นฐานหินไปหมดเลยซึ่งสมัยนี้อาจจะรับไม่ค่อยได้นะแต่ว่าคําสอนของเรากล่าวไว้อย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าผู้ที่มีทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุสอสสอส ต, ตะเป็นต้นเนี่ยเขามองว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐก็บอกว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษารักษาอะไร อวัยวะนะ buoy. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตบุคคลถ้าจะต้องรักษาธร ร, รมะนะคือรักษาศรัทธารักษาศีลรักษาสุรรรรรรสตะรักษาจาระรักษาปัญญารักษาหีเรโอตาปะเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะยอมหมดเลยเขาจะยอมเสียสละทรัพย์เพื่อธรรมะเหล่านั้นทำไมสมัยก่อนกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นจึงออกบวชเพื่อเอาทรัพย์คือศีลแทน พระหลายรูปยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาศีลรักษาธรรมนั่นแหละเสร็จแล้วผู้ที่รักษาได้ขนาดนั้นนะเขาเหล่านั้นก็ประสบความสําเร็จจริงๆได้บรรลุมรรคผลปิดอบายกระพได้หมดเลยนั่นแหละพรันผู้ที่มีทรัพย์คือโยนิโสมนัสิการเป็นต้นน ะ, นะะโยนิโสก็เป็นชื่อของของอะไรก็กุศลที่เป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมาธิเป็นไปกับภาวนานั่นแหละนั่นแหละ ผู้ที่มีโยนิคาว่าโยนิตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของปัญญามณสิการก็คือการใส่ใจการใส่ใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาเรียกว่าโยนิโสมณสิการถ้าเอาชั้นสูงหน่อยนะใส่ใจอย่างไรก็สใากากกส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเราต้องไม่ลืมว่าการตารบหรือการใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นเป็นปริญญาระดับไหนระดับไหน ระดับตีระนปริญญากับปะหานะปริญญาเนะี่ยใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามแต่อำนาจของสติปัญญาของท่านผู้ใดผู้ที่เห็นคุณค่าของโยนิโสหรือใส่ใจลักษณะนี้ได้คนเหล่านั้นนี่เรื่องกรรมนี่มั่นคงและเนะเพราะว่าคนที่ได้กรรมมกตาดีๆก็คือได้ปัจจะยะปริะหายานผู้ที่ได้ปัจจยะปรฆหายานก็เท่ากับปิดอบายได้ชาติหนึ่ง เขาเรียกว่าจูรโสดาบันนะตามจำนวนวิสุทธิมักกล่าวไว้อย่างนั้นเนะนั้นกรรมมัสกตารนั่นแหละคือปัจจะยปริกรหายา น, นะทีนี้ว่าวิปัสนาเนี่ยมันต้องเข้ามาสัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ทีนี้คนทั่วไปพูดถึงเรื่องกรรมก็จะนึกถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะนึกไกลเหลือเกินไกลความเป็นจริงมากที่ว่าอย่างนั้นเนี่ยพอพูดถึงคําว่ากรรมปั๊บสายใจมาที่สภาพของเจตนาไหมคิดถึงเรื่องเออเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยมีความคิดนะ มีเจตนานะเจตนานี่มีผลไม้มีทีนี้ก่อนที่จะเห็นมาจากอะไรก่อนมาจากมีตามีสีมีจักรโวิญญาณมีภาษาเวทนาเวทนาเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะมพอเห็นปุ๊บทำกรรมใหม่อีกละนั่นแหละกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าสีนั้นเน่เป็นสีที่บางอย่างถึงกับล่วงกายกรรมกรรมออกมาทางกายก็ได้เพราะสีบางอย่างทำให้คนยกมือยกไม้ก็ได้เพราะสีบางอย่างทาให้คนพูดก็ได้ นะนึกคิดจินตนาการต่า ง, างเจตนาก็เกิดร่วมหมดเลยเจตนาเหล่านั้นมีผลเจตนาที่เป็นไปกับทางตาเนี่ยนะยินดีในสีเป็นต้นมีตัญหาเจืออยู่ด้วยตัญหาเหล่านั้นเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้รูปปัจจันหานะตัญหาที่เป็นสีสันต่างเหล่านี้มันก็จะสัมพันธ์กันตลอดดันั้นคนที่เข้าใจเรื่องกรรมจริงก็จะมองมาที่ที่เจตนาที่เป็นกายกรรมและ วจีกรรมและมโนกรรมที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขานนั่นเองอันก็ให้ผลมาเป็นวิบากและกรรมมาชรูปมันก็ไหลเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉนั้นผู้ที่สามารถมีโยนิโสมนสิการอย่างมั่นคงนะมีความรู้ในเรื่องกรรมเป็นอย่างดีเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดจากกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมมชรลภเนี่ยมีสาระไหมเนะที่ยงไหม เขาตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าคนมีโยนิโสนั่นแหละคนมีโยนิโสเพราะเขาใส่ใจถึงความไม่เที่ยงความไม่มั่นคงความไม่ถาวรความไม่แน่นอนความไม่มีสาระแก่นสารเหล่านั้นอันนะั้นวิบากและการ ม, มาชรูปเหล่านี้เรียกว่าเรียกว่าการพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการทั้งหลายเหมือนกับร่างกระดูกการทั้งหลายเหมือนกับชิ้นเนื้อการทั้งหลายเหมือนกับความฝัน การทั้งหลายเหมือนกับของที่ยืมเข้ามาการทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงการทั้งหลายเหมือนกับคบเพลิงคบญาตนะการทั้งหลายเหมือนหอกเหมือนเหมือนอศีรษะอสารพิษอย่างนั้นมันมีโทษอ่ะผู้ที่ตามเห็นในลักษณะนี้มากๆากเขาเรียกว่าจิตใจเป็นไปกับโยนิโสมณสิกาลเขารักษาไอไอโยนิโสอันนี้ไว้บางท่านอยู่อย่างนี้ได้เป็นสิบสิ บ, สบปีหลา ย, ลายสิบปีพระ มหาศีวะเนี่ยท่านคิดอยู่อย่างเงี้3สามสิบปีอะ่ะไม่ไม่บรรลุอาราหันต์นาทีร้องไห้เลยนั่นแหละท่านท่านเป็นไปตามเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะอย่างพระอนุนเนี่ยท่านท่านที่เรียกว่าท่านเจริญกายคตาสติเนี่ยนะท่านจึกเรื่องกายคตาสติเนี่ยนะตามจนว่าจะเอาบรรลุให้ได้รุ่งนี้จะเข้าเข้าสู่ที่ประชุมทำสังฆทยนาแล้วอะ่ะจะเอาให้บรรลุให้ได้แต่ทีนี้ว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรนะ มองเห็นหมดแหละท่านเข้าใจหมดแล้วแหะแต่ทีนี้ว่าท่านรู้ว่าอินทรีย์ตรงนั้นเนี่ยมันอ่อนสัมมาธินรีย์เป็นต้นไปเพราะวีริินทรีย์มันมากท่านก็เลยปรารถที่จะพักเขาได้นะแต่อินทรีย์ที่เหลือเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วก็อินทรีห้าประชุมพร้อมก็ทําให้แจ้งอริยสัจในระดับอรหัตตมรรคได้นั่นซึ่งการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้โยนิสโสมนัิการก็คือเป็นไปกับ ศรัทธาเป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมาธินะเป็นไปกับปัญญานั่นเองเราท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ศึกษาไม่ถึงกับระดับปรับความคิดได้นะศึกษาพระธรรมจนที่เรียกว่าปรับระดับความคิดไม่ได้ถ้าพูดสัมนวนทั่วไปว่าเรามองเห็นเนี่ยทำไมเราจะเพิ่มศรัทธาขึ้นได้จะเป็นไปได้ยังไงนะว่าเออเรามองเห็นเนี่ยสีธรรมดาเนี่ยโลกเนี่ยทำยังไงศรัทธาเราจึงจะเกิดใช่ไหม พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารพระอาหัารไกลาจากกิเลสอย่างไงครับถ้าเราจะนึกให้เป็นศรัทธานะก็อยู่ตรงนี้ท่านไกลาจากกิเลสยังไงบ้างพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรึกนะตรึกเอาพุทธคุณเนี่ยประชมเรื่องผู้พุทธคุณเนี่ยมากๆเพื่อที่จะเสริมสัจทินรีเรามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะเสริมวิริยินทรีย์พิจารณาอย่างไรนะพิจารณาสังเวกขวัตถุที่กำลังมีอยู่ขนาดนี้ตอนนี้ก็มีสังเวกขวัตถุสายใจหรือเปล่าเท่านั้นเอง อันนั้นถ้าใส่ใจแบบนั้นมากๆวิริยนรีก็จะจะเกิดขึ้นใช่แต่ถ้าหากว่าสตินซีอ่อนก็ใส่ใจในสติปฐานสติปฐานก็คือขันห้านั่นแหละสส่ใจไปที่ลักษณะของขันห้าเป็นต้นนะเพราะว่าสติปฐานนั่นแหละเป็นเป็นเครื่องชี้ชัดของสเินซีสมาธินซีอะใส่ใจในสมถานิมิต อยู่อย่างนี้มีสมถฐานิมิตไหมนะนั่นแหละทั้งอาการสามสิบสองก็มีนะผมขนเล็บฟันหนังก็ใส่ใจไปที่สีสันฐานเป็นต้นเลยนะก็ได้แล้หรือใส่ใจไปที่เมตตาพรหมวิหารเป็นต้นก็ก็เป็นอาหารของสมาเิีนะสีใส่ใจในเรื่องอริยสัจก็เป็นอาหารของปัญญสีทีนี้ทํำยังไงในที่เดียวเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนไอความรู้สึกอันนี้ให้ได้นะปรับได้ถ้ามันอ่อนทําไมจึงอ่อน สามารถที่จะเสริมสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพความคิดนั้นได้ตลอดเวลานะเมื่อปรับปรุงได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยประสงค์จะตรึกสิ่งใดเขาก็จะตรึกสิ่งนั้นได้เพราะเขามีความรู้ความเข้าใจายอย่างอย่างเต็มที่แต่ก่อนจะถึงอย่างนั้นได้ก็ก็ต้องสุตะต้องเพียงพอนะเขาบอกว่าคนที่จะใช้ลักษณะนี้ได้นะก็ต้องคนมีถ้าสำนวนทั่วไปทางโลกเขาบอกว่าคนที่จะซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ประดับบ้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดนั้นได้ก็ต้องคนมี รับพอสมควรคนที่จะฝึกความคิดลักษณะนี้ได้ก็ต้องเป็นคนมีทรัพย์พอสมควรทรัพย์คืออะไรต้องมีทรัพย์คือศีลต้องมีซัพย์คือฮริโอตปะต้องมีทรัพย์คือสุตตะศึกษามาเป็นอย่างมากนะแล้วก็ต้องมีทรัพย์คือจากขะกล้าที่จะเสียสละเรื่องไม่เป็นเรื่องออกไปได้นั่นแหละแล้วก็มีทรัพย์คือปัญญาพอที่จะมองอะไรออกได้จริงๆมองชีวิตออกอย่างตลอดสายนะ ซึ่งคนทั่วไปนี่ส่วนใหญ่จะมองชีวิตกันบางคนนี่นะปัญญาเขามองเห็นว่าเอ้ย็นเย็นนี้เขาจะกินอะไรเขาฉลาดเท่านั้นเองนะบางคนนี่มองเลยเข้าไปเอพรุ่งนี้จะไปทำอะไรบางคนนี่มองเลยเอออาทิตย์หน้าจะทำอะไรบ้างนะยิ่งชาวชน บ, บทส่วนหนึ่งเลยนะเท่าที่ที่ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่เนี่ย น, นะเขามองเอเย็นนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเขารู้แค่นั้นหนหละที่เหลือไม่เคยรู้หรอก ถ้าฉลาดขึ้นกันนั้นอีกหน่อยเอ้ยอาทิตย์นี้เขาจะมีวางแผนทําอะไรบ้างอันนั้นอาถือว่าฉลาดพอสมควรแล้วบางคนก็มองเลยกว่า น, นั้นอีกบางคนก็มองเลยอย่างอย่างพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะมองเลยไปจนถึงถ้าลูกหลานก็มองจนลูกหลานนี่เจริญเติบโตใช่ไหมปู่ย่าตายายก็มองถึงโอ้โหเนี่ยถ้ามันมีลูกมีหลานจะเป็นไปยังไงนะปู่ย่าเนี่จะมองยาวกว่าลุกนั้นนี่แต่ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะมองเลยชาติหน้าไปอีก แต่ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญามากเขาจะมองเลยอีกสองสามชาติแต่ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญามากกว่านั้นคนที่ปรารถนามรคนิพานจริ ง, รงๆเขาจะมองเลยว่าเขาจะนิพานได้เมื่อไหร่จํากัดชีวิตว่าจะต้องไปนิพานที่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ใดแล้วอีกกี่ชาติเขาจึงจะได้สําเร็จอันนั้นจริงๆเขาจะมองออกนะและถ้าหากว่าคนที่มีปัญญากว่านั้นอีกเขาจะมองออกว่าถ้าเขาเป็นมหาสาวกเนี่ย เขาจะต้องอยู่ในสังสารวัฏนี่เท่าไหร่เขากำหนดได้ถ้าเขาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะอยู่ในสังสารวัฏได้เท่าไหร่แล้วสเสบียงทางที่เขาจะอยู่เนี่ยจากวันนี้ไปถึงวันนั้นเนี่ยจะต้องใช้ทุนใช้ร้อนใช้อะไรเป็นไปบ้างนะเขาจะต้องมองออกทั้งหมดการมองพวกนี้ออกนั่นแหละเรียกว่ากรรมสักตาปัญญามองชีวิตตลอดสายนะแต่การมองชีวิตเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาในพระผู้มีพระภาคผู้ทรง แสดงเอาไว้นะเพราะว่าพิสูนทั้งหลายสมัยก่อนนี้ก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อศรัทธานะตามที่คำสอนของพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายในสังสารวัฏนี่นะมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรอันกรรมมสกตาศรัทธากับก ร, รมมกตาศรัทธากับตถาคตโพธิสัตวานี้จะต้องคู่กันนะ เพราะว่าคนทั่วไปนั้นจะนึกถึงเรื่องเรื่องกรรมได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยาวอย่างเช่นบางคนก็จะรู้เรื่องกรรมได้แค่ชาติสองชาติเท่านั้นเองอการรู้เรื่องกรรมสั้นๆนั่นนะนะมันก็มีโทษเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมชาติที่แล้วเป็นคนทําบุญให้ทานมาตลอดชาติตายแล้วจนอย่างเงี้ยโหชาตินี้จนน่าดูเลยนะเอ๊ก็ระลึกชาติได้ชาติที่แล้วท่านคนใจบุญสุนทานนี่ นะแต่ชาติก่อนหน้านั้นไปทําอะไรไว้ก็ไม่รู้อีกนั่นแหละบางคนเออเกิดมาฉันก็เป็นคนข้าวัวเนี่ยตลอดชาติเป็นนายพรานคนเหี้ยมโหดเกิดมาชาตินี้เป็นเสนาบดีโหมียศมีตําแหน่งยิ่งใหญ่เหลือเกินนะบอกเออบุญบาปไม่มีจริงนี่อันนี้ก็ถ้ารู้เรื่องกรรมไม่ตลอดสายจริงๆก็จะเป็นลักษณะนั้นเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่จะรู้เรื่องกรรมะสมาทานอย่างละเอียดต้องเป็นพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นกา ร, รมสกตาศรัทธากับศรัทธาในพระตถาคตนั้นจะต้องเป็นธรรมะที่ควบคู่กันไปวันนี้จะขอยกถึงข้อความในเมตตาสูตรเพื่อที่จะได้มองเห็นลำดับแห่งการเจริญเมตตาภาวนาต่อไปนะัว่าการเจริญเมตตาภาวนานั้นเราก็ฟังหลักการเจริญมาตั้งหลายวันแล้วนะถ้าคนมีบุญเขาเจริญเป็นไปเรียบร้อยแล้วได้ฌานไปแล้วล่ะ ของคนมีของเก่าเยอะๆนะแต่ถ้าหากว่าเราเอ๊ะทำไมมันไม่พัฒนาสักทีสัปเทศตาเดี๋ยวก็ฟุ้งไปแล้วใครจะมาหาบ้างหรือเปล่าน้อไปนั่นมันก็จะเป็นลักษณะนั้นมันก็จะคิดเป็นเรื่องอื่นไปเรื่อยๆน ะ, จะเจริญเมตตาไปด้วยคิดสลับกับเรื่องอื่นๆไปด้วยที่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าลำดับขั้นตอนนี้อ่อนตายนะตาภาวนานั้นเป็นวิสุทธิไหมเป็นหวิสุทธิมีเท่าไหร่กัน วิสุธิมี7นะหศีลวิสุทธิ2จิตตวิสุทธิ3ามเทถาวิสุทธิ4กังขาวิตรณวิสุทธิ5มคามคยาทัทสนวิสุทธิ6ปฏิปทายานัทสนวิสุทธิ7ญาณทัทสนวิสุทธินะถ้าวิสุทธิข้อที่1นึ่งเนี่ยนะยังแรงรั่วนะ เขาบอกว่าวิสุทธิเจ็ดเนี่ยเหมือนกับรถเจลักเท่ากันถ้ารถผลักที่หนึ่งเนี่ยนะยางรั่วเนี่ยไม่ต้องาพูดเลยผลักที่2องผลักที่2ก็คือจิตตวิสุทธิเมตตาภาวนาก็คือจิตตวิสุทธิเป็นเรื่องของการอบรมจิตนะแต่ถ้าหากว่าข้อที่1ลําบากนะหรือว่าศีลวิสุทธิเป็นต้นไม่ค่อยดีก็เจริญยากที่จะต่อเนื่องนะปาฏิโมกสังวรเราทั้งหลายศีลห้าก็คงจะดีกัน แต่ทีนี้ว่าอินทรีย์สังวรเป็นต้นแหละนะสอบตกกันในระนาบหมดแหละนะอินทรีย์สังวรวันนี้ใครคิดไม่เป็นบาปบ้างเอานะจากขุนศีนี่มองเห็นแล้วกุศลจิตเกิดตลอดเลยฟังเสียงอะไรก็เป็นกุศลไปหมดเลยนะหายใจเข้าออกได้รับเปลี่ยนก็เป็นกุศลไปเลยอย่างเงี้ยทานอาหารทุกคำนี่ทานด้วยกุศลจิตนะกราบกระทบเนี่ยนะอากาศหนาวกักุศลเกิดอากาศร้อนกับกุศลเกิด นะสรุปและกุศลเกิดทุกอากาศเลยทุกอุณหภูมิเลยเป็นได้ไหม น, นะคนที่ฝึกเขาเป็นได้แต่ก็เรายังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคิดทุกเรื่องเป็นไปกับกุศลหมดเลยอันนะคนที่สามารถเจริญกุศลให้เป็นไปในทาวารหกนะรักษาบาปไม่ให้ไหลเข้ามาในทาวารหกได้พวกนี้เรียกว่าเป็นคนที่อินทรียังวรศีดีอ่าแล้วปัจจะญาสานิศตศีนะ ช่วยกรุณายกมือขึ้นด้วยว่าใครที่เข้ามาในห้องนี้แล้วปัจเจกปัจจัยบ้างว่าใช้สอยที่อยู่ทําไมนะเราใช้สอยเสยนาสนะนี้ทําอะไรนะที่นั่งที่ยืนที่นั่งทั้งหมดเลยนะต้องมีการปัจเจกนะอันนั้นคือปัจจัยสานิสิตศีลนะพระองค์ก็ให้ตัวอย่างไว้ว่าเราใช้สอยเสยนาส น, านี้เพียงเพื่อบําบัดความหนาวบํา บ, บัดความร้อนบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะเพงมีจากดินฟ้าอากาศและก็เพื่อหลีกเล่นสำหรับการเจริญภาวนานะการเจริญภาวนาทั้งที่เป็นเป็นไปกับทางกายทางวาจาและก็ทางใจเนี่ยนะเพื่อที่จะเจริญกุศลถ้าเข้ามาปุ๊บพิจารณาแสดงว่าไปนั่งที่ไหนก็พิจารณาได้ทุกๆ ท, ที่นั่งทุกๆ ท, ที่ยืนและก็ที่นอนพิจารณาหมดเกลี้ยงเลยอนะอันนี้ก็อยู่ในธรรมะมวลไหน ส ป, ปายะสัมปะอ ะ, อะไรนะสธาธกษ์สัมปัญญานะแล้วก็เป็นเป็นชั้นศีลเองนะแต่เรียกว่าปัจจยสาสนิสิตศีนะนนะถ้าหากว่าปัจจยสาสนิสิตศีนอ่อนเสรนั่งฟุ้งไม่ต้องบนหรอกเพราะอะไรเพราะเพราะก่อนหน้านั้นเบรกมาเรียกว่ารถเนี่ยนะเว่งมาสักร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยนะพอไปจะถึงอ่ะจะเบรกให้มันอยู่ภายในเครืบเดียวเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ใช่รถชั้นดีจริงจเนี่ยเบรกไม่อยู่หรอก เราก็ไปคิดเรื่องอื่นมาสักมากมานั่ง ม, มาที่ทับมานั่งปุ๊บแหมจะให้จิตมันสงบดิ่งลงไปเลยมันก็มันก็มันก็เกินไปะนะมันไม่ฟังและไม่สมเหตุสมผลดันการที่เราไม่สามารถที่จะบริหารกุศลจิตอย่างสืบเนื่องกันมาได้จิตจะสงบนี่คงเป็นไปได้ยากอันที่จริงศีลห้านะสีลห้าสี่แปนี่นะถ้าสมัยพุทธกาลนั้นท่านคงเห็น เ, นเรื่องจิบจ่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในตลอดชีวิตเรานะ แล้วก็คิดว่าเรามีศี น, นีศีห้าเนี่ยผไม่น่าจะขาดตบกบกพร่องเลยนะฮะ <c oughs> หรือว่าศีแปดเราก็ยังรักษาได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ที่เราขาดมากมากนคือคือสีในตระกูลสังวรเนี่ยครับเจนพาตระกูลสังวรโดยเฉพาะอินรียาสังวรนี่นะครับแมแทบจะไม่มีน้อยมากเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชักชวนเนี่ยพวกผมพวกกฤลขัดนี่นะหันมาสนใจอินซีอาสังวรสีนี้นะ <c oughs> ลอหันมาเพราะถ้าไม่มีศีลอันอนี้นะครับก็ก็จะบอกว่าศีลอะวิสุทธิ์นี่พูดไม่ได้หรอกครับมั น, มนเล็กน้อยจริงๆรครับศีลห <c oughs> ้าศีลแปดนี่ถ้าใครไม่มีใครไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นก็เต็มทีอยู่แล้ว<ป>ใช่ไหมตัวเอี่ยีขามีอยู่ขาเดียวเงี่ยตั้งได้ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ่าจะตัวปริสุทธิ์ศีลนี่ก็เหมือนกันนะศีลขาเออแต่แต่เราทั้งหลายอาจจะได้สองขานะทําไมอ่ะสองขาขาไหนบ้างอ่ะก็ขาข้อหนึ่งไงก็คือเว้นจาก ปฏิบัติเป็นต้นทําได้ข้อสุดท้ายอาชีพบริสุทธิ์ได้ได้สองขาแล้วนะ่ะแต่ไม่วยจะล้มข้างหน้าหรือข้างหลังก็บอกว่าถ้าข้างหน้าคืออินทรีย์สังวรไม่ดีก็ล้มหน้านะปัจจะยศนิสิตศีนไม่พอก็ล้มหลังก็แต่แขงอยู่นั่นแหละทีนี้มันก็นั่งนิ่งไม่ค่อยได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วตั้งใจว่าทําได้เท่าไหร่ก็จะปฏิบัติเท่านั้นแต่ก็ ไม่ควรชักช้าพราะองค์บอกว่าการเจริญกุศลไม่ควรชักช้าแต่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆทำนะการในในธรรมบททั่วไปเนี่ยนะหลายแห่งกล่าวถึงลักษณะของช่างทองผู้ฉลาดเวลาเขาหลอมทองเนี่ยนะไฟต้องไม่เกินไปนะต้องไม่มากเกินไปต้องไม่อ่อนเกินไปนะก็เราว่าปรับไฟให้มันพอดีแล้วก็รอได้ค่อยๆไล่สนิมทองออกไป นนพวกเศษขี้สนิมขี้อะไรที่มีอยู่ในทองถ้าได้ความร้อนเพียงพอมันจะค่อยๆกระเด็นปลายชั้นใดการเจริญกุศลก็ต้องแบบนั้นแหละค่อยๆเพิ่มขึ้นหาความเหมาะสมให้เพียงพ อ, อความเหมาะสมก็คือทําอย่างไรเราทั้งหลายสามเมื่อที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องคนที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องนั้นก็มีอยู่ทางเดียวท่านนั้นเองก็คือศึกษาคําสอนให้ให้เพียงพอนะซับคือสุ ต, ตะนี้ต้องให้เพียงพอจริงๆ ข้อความในเมตสูตรคมภีคุธการนิกายสุตานิบาศฉบับ91เล่มนั้นอยู่ในเล่ม46ในเมตสูตรนั้นมีกล่าวไว้สองแห่งแห่งที่1เึ่ เ, เรียกว่าในคำพีคุถกะปาถะเล่ม39กับอีกแห่งหนึ่งก็คือในสุตานิบาดเล่ม46ตรงนี้เอามาจากในเล่ม46นะส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าคาถาการพีนะส่วนนี้ เรียกว่าการณียเมตสูตรนั่นเองนะนะการณียมทาทะกุสเลนะยันตังสันตังปัทังอภิสเมจนะนี่แหละซึ่งฉ บ, บับ ท, ที่เอามานี่ก็เป็นฉบับแปลฉ บ, บับ ท, ที่จะสวดเป็นภาษาบาลีก็ดูได้ในมนทิทีเป็นต้ น, นข้อความในเมตสูตรเนี่ยนะข้อส0 8้กล่าวว่ากุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรศิกขากุลบุรนั้นพึงเป็นผู้อาถรรพ์เป็นผู้ตรงเสื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิดน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขะนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย และก็ไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เราอื่นติเตียนได้นะอันนี้คือเรียกว่าคุณธรรมทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ต้นมาจนถึงตรงนี้เรียกว่าเป็นศีลนะเจนพรเป็นศีลทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้อมาจนถึงนี่นะงั้นคุณสมบัติของคนมีศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าอย่างเดียวนะคุณสมบัติทั้งหมดจนมาถึงว่าไม่มีความชั่วให้บัณฑิตตำหนิได้เลยนะคุณสมบัติเหล่านี้เรียกว่าคนมีศีลนั่นเอง เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นสมาธิต่อไปว่าพึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดนะอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนาหรือจิตตาวิสุธทธินั่นเองแล้วก็การเจริญเมตตานั้นนะก็เจริญไปในสัตว์ก็คือสัตว์ที่มีชีวิตเราไดเหล่าหนึ่งเนี่ยมีอยู่เป็นผู้สะดุ้ง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 ไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหนๆไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นท้าวท่านก็อุปมาว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกลบบทผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นนะ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 ยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าวิหารธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องอยู่นะว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้นะทั้งหมดเลยข้อความตั้งแต่ต้นนั้นจนถึงตรงนี้เป็นจิตตวิสุท ธ, ธินะเป็นทั้งอุปจาระและ อ ป, ปนานะทั้งชานด้วยแล้วต่อไปว่าและกุลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะอันนี้ตรงนี้ก็หมายถึงโซดาปฏิมักโซดาปฏิพลเรียบร้อยแล้วนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แล้วก็เป็นพระอนาคามีปรินิพานที่สุดทาวาส ข้อความเหล่านี้ก็นั่นแหละท่านก็สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าวถึงที่สุดแล้วนะประกาศอริยสัจจบเรีย บ, บเสร็จหมดมญญ จ, จนผานปัญญานี้ไม่แสดงมากเพราะว่าภิกสุกกลุ่มนั้นมีความเข้าใจในเรื่องปัญญาดีอยู่แล้วนะพระองค์ก็เลยเสริมในเรื่องของศีลกับสมาธิคือพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่รู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมากว่าสัตว์นี้ พวกนี้เนี่ยศีลวิสุทธิ์ที่ดีจิตวิสุทธิ์ที่ดีถ้าอย่างงี้สอนวิปัสสนาเลยถ้ากลุ่มนี้ศีลไม่ค่อยดีนะปัญญามีมากแล้วก็สอนเรื่องศีลมากๆหน่อยเน้นเรื่องศีลเป็นต้นพระองค์นี้สา ม, มารถที่จะตรวจสอบอินทรีย์ของสัตว์ได้อันนี้เป็นกําลังอย่างหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเรียกว่านะในในทศพลยาน น, ยนะเรียกว่าอินทริยะโปรปริยติยานยานที่สา ม, มารถ อย่างรู้ถึงความแก่ความอ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นนะข้อความในอัตกถาเมตสูตร <c oughs> ที่เราเรียกกันว่าการณียเมตสูตรเนี่ยนะมีคําเริ่มต้นเรื่องราวก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงตรัสเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อย่างไรได้ยินว่าพิสูจทั้งหลายเนี่ยถูกเทวดาทั้งหลายข้างภูเขาหิมมวันหลอกให้กลัวว่างั้น ผีหลอกพระบาปนะคือพิษุกลุ่มนี้ก็เลยมาสู่กรุงสาวถีอันเป็นสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสพระสูตรนี้เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันป้องกันก็คือเป็นปริษนั่นเองนะสาธยายสูตรนี้บ่อยๆก็เป็นปริษเป็นเครื่องป้องกันนะและเพื่อประโยชน์แก่การเจริญกรรมฐานแก่พิกษุเหล่านั้น สมัยก่อนเนี่ยรู้แต่ปริศตอย่างเดียวไว้สวดกันผีอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นกรรมฐานด้วยไม่เด็กๆเนี่ยก็สวดปกลัผวผีเดียวผีมันกลัวจนไม่กลัวแต่มองว่างก็เอาเรื่องกันแต่ไป อ, อยู่ที่มันเงียบๆเงียบสนิทนี่ในป่าคนเดียวนี่เอาเรื่องมีมางหลังหลอตื่นมากลางดึกนี่ก็เอาหัเอาเรื่อง น, นั่นแหละนึกถึงกรรมฐานได้ก็ ย, ยังชั่วนหน่อย อันนี้เรื่องยอ่อนะเรื่องยอ่อเขามีอยู่เท่านี้แหละส่วนเรื่องพิสดารเนี่ยนะเหตุการณ์ตามลําดับมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีโดยสมัยนั้นพิสูชาวเมืองต่างๆจํานวนมากเรียนกรรมฐานในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีความประสงค์เพื่อจะเข้าจําพรรษาณที่นั้นๆ นะคือจะมารวมจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีหมดนี่คงไม่ไหวนะพระเยอะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานอันอนุกูลแก่จริต จ, จำนวน 84,000 พันประเภทนะจริตของสัตว์นี่มากมายจริงๆเลยนะก็คือหนึ่งคนหนึ่งจริตอะเธอไปกี่คนก็เท่านั้นจริตนั่นแหละนะดูเหมือนแต่ไม่เหมือนเหมือนไม่หมด <c oughs> ใกล้เคียงเฉย ชอบก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่ว่ารสจะเหมือนกันนะบางคนหนักหวานหนักเปรี้ยวหนักเค็มหนักอะไรแตกต่างกันอีกนะถึงชอบร้านเดียวกันก็ยังคิดไม่เหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นจริตของศาตว์ทั้งหลายนี่มีความแตกต่างกันมากแล้วพระองค์ก็สามารถแบ่งกลุ่มจริญได้นะจริตก็คือจริญใหญ่ๆมีอยู่หกจริตด้วยกันจริตที่หนึ่งเรียกว่าราคะจริตจริตที่สองโทสะจริญเจริตที่สามก็ โมหะจริตที่สี่ก็วิตกจริตห้าก็ศรัทธาจริตสุดท้ายก็พุท ธ, ธิจริตนะไว้สุดท้ายก็จริตแบบนี้น้อยหน่อยทีนี้ในจริตทั้งหกเหล่านั้นพระองค์ก็แสดงอสุภะสิบอดอย่างนะอสุภะส1บเอดอย่างด้วยอำนาจแห่งสะวิญ ญ, ญาณกะและอวิญญาณกะสำหรับผู้ราคะจริตทั้งหลายนะอ่ สุภาพกรรมฐานที่เป็นสวิญญาณกะคืออะไรก็คือกายคตาสตินั่นเองนะพิจารณาผมขนแม้ฟันหนังเนี่ยนะในสิ่งมีชีวิตอยู่เหล่านี้โดยความเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิน่นโดยโอกาสโดยที่อยู่นะอันนี้ก็คือกล่าวถึงปฏิกูลในสิ่งมีชีวิตและก็ปฏิกูลในสิ่งไม่มีชีวิตก็คือซากศพที่ตาได้สองวันสาวัน4ีวันไปต้นเป็นซากศพ เขียวขึ้นอืดขึ้นพองเหมือนกนับที่ก็ดองไว้คล้ายๆแบบนั้นน่ะอัน น, นสา ม, มารถที่จะพิจรารณาซากศพต่างๆจนถึงซากศพที่กระดูกเป็นผุยแล้วนะเป็นผุยเป็นพงเอามาเปรียบเทียบนะพระองค์ก็ตรัสกรรมฐานลักษณะนี้เพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ที่ราคะจริตก็คือหนักไปในติดในรูปารม์ค่อนข้างเป็นต้นเนี่ยมากติดในสีค่อนข้างมากก็เจริญอสุภะเยอะๆหน่อย ก็บอกว่าทำไมต้องเจริญอย่างนี้บอกถ้าไม่เจริญอย่างนี้มันคิดเรื่องวิปัสสนาไม่ต่อมันก็จะเตะอยู่นั่นแหละติดจริงจริง ไ, ไม่สงบเต็มตอนใชนะ่พอจะสงบนิดหนึ่งอ้าวมาแล้วกรรมวิตกมานัค ร, รับนะนะนะต้องดูว่าจริตชนิดไหนด้วยถ้าคนราคะจริตก็ชีวิตพรหมจรรย์ก็ไม่พาสุขนักนะทุกข์พอสมควรเหมือนกันนะ คนที่เกี่ยวหนักไปทางราคาเนี่ยก็ทุกจริงๆนะเห็นเขายิ้มด้วยก็คิดเป็นอื่นไม่หมดอ่ะคิดบาปเข้าไปหมดอ่ะนะคนครังหวัดคนมีใจประเภทราคาจริตนะแต่ถ้าคนโทสะจริตนะมยิ้มด้วยเอ๊ะทำไมมันมายิ้มอย่างนี้วะไม่ชอบเลยเออนะีมันแล้วแต่จริตอ่ะนะสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วแต่ใครมองนั่นแหละทีนี้พงก็สอนกรรมฐานมีเมตตาเป็นต้นนะก็คือพรหมวิหารสี่อย่าง สำหรับบุคคลผู้โทสะจริญเห็นแล้วมันหงุดหงิดไปหมดเนี่ยตรงนี้ต้องเจริญเมตตานะจะได้เย็นๆนะจะได้มีความสุขบ้างะถ้าใจเย็นสักระย่างหนึ่งแล้วก็จะได้ศึกษาธรรมะจะได้เบาขึ้นแต่บางคนเนี่ยเวลาเราไปนั่งนะสมมุติได้นั่งภาพนี่ให้อยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยนะถ้าคนราคะจริตนะจะนึกถึงความสวยความงามหรือนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองติดใจแต่ถ้าคนโทสะเจริตเอ๊ะมาว่าเราทําอะไรมนาะเรื่องนั้น ทำไมเขาต้องมาตำหนิเราทำไมเขามองเราแบบนั้นอ่ะมันมันจะต่งิดต่างงิดต่างงิดขึ้นมาแล้วสามสี่วันแล้วพึ่งนึกได้เอ็นนี่มองขากถางเรานี่ต้องไปหาเรื่องแล้วหน่อยบางคนเนี่ยความรู้สึกชาหน่อยแต่ก็โทสะก็กลุ่มรุ ม, รมแผลเพา้ยอยู่นั่นแหละอันอง์ ก, ก็สอนเรื่องพรหมิหารเพื่อเหมาะกับคนโทสะจริตนะเขาจะได้เย็นอีกหน่อยหนึ่งกรรมาฐานทั้งหลายมีมรณานุสติกรรมาฐานเป็นต้นสําหรับโมหจริต คนที่หลงพลนในชีวิตนี่ก็คิดถึงความตายให้มากแล้วก็ตื่นคนเรียกว่ า, นนน ค, น ค, วาคนมักหลับนะนิยมหลับมากมากเนี่ยนะพอบอกว่าไฟไหม้เท่านั้นเนี่ยโหตื่นเนี่ย น, นะคนที่หนับไปทางโมหะปล่อยชีวิตวันคืนล่วงไปล่วงไปเช้าชามเย็นชามเนี่ยนะพอคิดถึงความตายปุ๊บเนี่ยสะดุ้งเลยคนประเภทนี้ก็เหมาะกับมรณาณสติกรรมฐานทั้งหลายมีอานาปานสติและปัทวีกสินเป็นต้นเนี่ยนะ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นวิตกจริตวิตกจริตก็คือคนที่คิดไปเรื่อยเป็นเหมือนกับเท้าของโลกคิดไปไม่จบสักทีหนึ่งเรื่องหนึ่งสูรเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่นั่งอยู่ที่เดียวนี้คิดเป็นร้อยเรื่องอ่ะนะถ้าเขาบอกว่าสํานวนก็บอกฉายาบางคนเนี่ยคิดหนาทีทำร้อยปีไม่เสร็จอ่ะนะโครงการจริงๆิ้งว่า ง, งั้นโอ้จินตนาการไว่มบกมายมหาศาลพวกนี้วิตกจริตเจริญอน า, นาปานาสติเนี่ยดีนะนะ ม า, มาวิตก ก, กับเรื่องลมเป็นต้นแ ต, แต่ไม่ใช่ว่าฟังตรงนี้แค่นี้ปั๊บจะเอาไปเจริญเลยแหมมันง่ายไปนหน่อยคือถ้าทำได้ก็ดีไปแต่ทีนี้ว่าพอทำไปแล้วไม่ก้าวหน้าเพราะความรู้ไม่พอควรที่จะศึกษาคำสอนให้มากหน่อยกา ร, รมาฐานทั้งหลายมีผู้ฐานุสติก ร, รมมาฐานเป็นต้นสำหรับผู้ศรัทธาจริตทั้งหลายพวกที่หนักไปในทางความเชื่อก็ควรที่จะศึกษาเรื่องพุทธคุณ มากมเพราะพระพุทธคุณนี่ไม่หลอกอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าไปคิดถึงคนบางคนคนอื่นนี่อาจจะอาจจะถูกหลอกก็ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีกรุณาต่อสัตว์จริงๆแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้มีกรุณาอย่างเดียวใช่ไหมพระ อ, องค์ยังมีพระปัญญาด้วยเมื่อผู้ใดไปเกี่ยวข้องกับพระ อ, องค์พระ อ, องค์ดึงมาด้วยศรัทธา ก, ก่อนแต่พระ อ, องค์นี่ไม่ปล่อยให้คนโง่อยู่ใกล้พระ อ, องค์แน่นอ น, อนพระ อ, องค์ก็จะแต่งให้เขาจนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดจนได้นั่นแหละ ทีนี้กรรมาฐานทั้งหลายมีจตุธาตุวะวัฏฐานเป็นต้น น, นะคือท่าสี่อ่ะสําหรับผู้ที่เป็นพุทธิจริตทั้งหลายจริตนี้ก็คืออะไรคือความประพฤตินั่นเองนะคำว่าจริตนี้แปลว่าความประพฤติความประพฤติที่คนที่หนักไปทางโลภะเรียกว่าราคะจริตความประพฤติที่เป็นไปกับโทสะบ่อยๆ อ, อันนี้เรียกว่าเป็นโทสะจริญนะแต่ทีนี้ปัญหามันมีทุกจริตทําไงอ่ะ ดูท่าจะเกือบทุกเกเ็ตเลยอ่ะเขาบอกว่าเห็นคนชอบเขาบอกอะไรนะเห็นคนสวยก็ชอบใช่ไหเห็นคนด่าก็ชังอย่างเงี้ยเจออารมณ์ก็ใช้อย่างนงี้ถ้าเป็นหมดอย่างงี้ทำยังไงศึกษาทั้งหมดเลยแล้วไหนก็บอกว่าเป็นทุกโรคเลยนะเรานึกถึงมันมีมีมียาวิตามินสมัยใหม่ก็บอกวิตามินเอถึงแทเลยยอมหมอเขาซื้อไปถวาย่นะอ๋อ มีตั้งวิตามิน A ถึงวิตามินแฝดเลยแสดงว่าสุขภาพนี่เต็มที่เลยนะ อ, อคนที่หนักไปอัอกุศลมากๆก็ต้องพักฐาะ น, นั้นแหละต้องศึกษาทุกๆกรรมาฐานเลยนะอย่าคิดว่าโอ้ฉันมีเมตตาพอแล้วละ่นะบางทีไม่พอนะไปอยู่บางเหตุการณ์ไมไ่เหมาะเลยเกับเมตตาเนี่ยนะอสุภะเหมือนกันเนี่ยไปอยู่บางเหตุการณ์เนี่ยไมไ่เหมาะกับเรื่องอสุภะอะไรเลยคนกํนลาลังทะเลาะกันเนี่ยนึกถึงศพคนละเรื่องเ ล, ค น, เงเลคนละ ง, งานเลยมันก็ต้องเป็นเรื่องของ เมตตาเป็นต้นรั้นศึกษากรรมฐานเหล่านี้ให้เหมาะกับจริตและอัธยาศาัยด้วยครั้งนั้นแล้พิสูจนประมาณ500รรูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและสแสวงหาเสนณะเสนาณะอันสบายสบายในที่นี้หมายถึงสปายะนะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลได้ที่ใดที่เกื้อกูลในการเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องที่นั่นเรียกว่าที่สบายที่สปายะแต่อยู่ที่ไหนแล้วอกุศลมันเกิดมากๆ ตรงนั้นนี่ไม่ไม่ส ป, ปายะเลยนะถึงความสะดวกอย่างอื่นอาจจะมีจริงอาหารหาง่ายนะที่อยู่ที่อาศัยหลับนอนดีไปหมดเลยแต่อกุศลเล่นงานมากๆอย่างนี้ชื่อว่าไม่ส ป, ปายะแล้วนะชื่อว่าไม่สบายแต่หาข้าวน้าอดๆ อ, ดอดยา ก, ยากๆบ้างแต่ว่าเอออยู่แล้วกุศ ล, ลจิตเกิดสืบเนื่องยาวนานอันนี้เขาเรียกว่าที่ส ป, ปายะนั่นแล้วก็โคจรคาม โคจอก็คือที่เที่ยวคามก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านที่เที่ยวไปหมายถึงสถานที่บินทบาทนะไปบินทบาทได้ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะต้องหาสถานที่ที่บินทบาทได้ทีนี้ในกลุ่มภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะก็ได้เห็นภูเขาเนี่ยลูกนึงซึ่งต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันกับหิมมวันที่ปลายแดนโดยลำดับมีพื้นศิลาเนี่ยพรางไปด้วยทรายและแก้วมณีสีเขียว นะประดับด้วยราวป่าสีเขียวมีร่มเงาเย็นและหนาทึบมีภูมิภาคเกลื่อนกล่นไปด้วยทรายเช่นกับพวงแก้วมกดาและแผ่นเงินสแสดงว่าบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยดีจริงๆอ่ะนะข้างเตนเขาอันนี้นะพวกทรายพวกอะไรเนี่ยโหน่าอยู่มากนะแวดล้อมไปด้วยชลาลายอันสะอาดนะก็คือพวกน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยใสจืดเยน็นสนิทลาดับนั้นแลพิสูนเหล่านั้นได้พักอยู่ที่ภูเขานั้นคืนหนึ่ง เจอที่อย่างนี้นึกถึงรีสอร์ทผูการเลยเนาะคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าไม่ตาบเนาะนเจอน้ำไหลยเย็ยนดีเหมือนกันมีพระทุดององหนึ่งครับไปถึงที่นั้นดีเหลือเกินครับนะขอพักที่นี่คืนปรากฏอยู่เครื่องคืนต้องถอนกรดเลยเข้ามานอนหนาวทนหนาไม่ไหวคธอสถานที่อนนะอุตุสปายะแต่ว่าสิส่งแวดล้อมไม่สปายะ เพราะมันไม่ใช่ที่เขาไม่ได้จับสร้างเป็นที่เจริญกรรมฐานใช่ไหมนั่นแหละก็เลยอย่างอื่นไม่จับปายะเลยแต่ว่าอุตุได้ท่านผู้ที่เจริญกรรมฐานตรงนี้ก็ต้องเรื่องอุตุเรื่องอุณหภูมิเรื่องอะไรให้เหมาะสมด้วยทีนี้เมื่อท่านอยู่คืนหนึ่งแล้วเมื่อราตรีสว่างก็ทําบริกรรมสรีระะก็คืออาบน้ําชำระร่างกายนัย่นแหละเสร็จแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านหนึ่ง ในที่ไม่ไกลภูเขานั้นบ้านนั้นประกอบด้วยตระกูลเข้าไปตั้งบ้านเรือนอย่างหนาแน่นประมาณหนึ่พันตระกูลโอ้บ้านใหญ่โคนะประมาณ1000หลังคาเรือนอะไรเงี้ยก็ในบ้านนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสพอเห็นทิศเหล่านั้นก็เกิดความปี ต, ติและสมณันะลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาก็คือเห็นแล้วจะเกิดความเอื้อิ่มใจสบายใจเลยเพราะการเห็นบันประชิตในปัจจันตะชนบทหาได้โดยยาก ที่ใดที่เป็นบ้านไร่ปลายแดนเนี่ยแหละที่นั่นจะหาพระยากจริงๆและอย่างพิสูเหล่านั้นให้ฉันแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงอยู่ในบ้านนี้แหละตลอด3เดือนครั้นขอแล้วก็ให้ทากุติเนี่ยสำหรับทําความเพียร500ร้ลังก็คือทากุตินะเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานจัดแจงเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีเตียงตั้งหม้อน้ำดื่มน้าใช้เป็นต้นเอาไว้ในบ้านนั้น ในวันที่สองพิสูจนทั้งหลายก็เข้าไปบิณทบาทอย่างบ้านอื่นอีกเพื่อบิณทบาทมนุษย์ทั้งหลายแม้ในบ้านนั้นก็บำรุงเหมือนอย่างนั้นอ้อนวอนให้อยู่จําพรรษาพิสูจทั้งหลายเห็นว่าไม่มีอันตรายจึงรับนิมนต์เข้าสู่ในราวป่านั้นปรารบความเพียรตลอดคืนและวันทั้งตัวนั่นะก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษากรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้เนี่ยทุกเม็ดคําที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะจำได้หมดเลยก็มาตรึกตามนั้นปฏิบัติตามที่ พระผู้มีพระภาคปล่ยวันคืนให้เลื่องไปเป็นไปกับคําสอนเพราะฉะนั้นข้อรัครังบอกยามแล้วก็เป็นพุ่มมากไปด้วยโยนิโสมนัิการก็คือใส่ใจในคําสอนอยู่ตลอดนั่นเองนั่งอาศัยโคนต้นไม้นะคนที่นั่งโคนต้นไม้ได้เนี่ยนะเมื่อเทียบอยู่ในที่พักกับอยู่ในโคนไม้เนี่ยนะจิตใจนั้นโปร่งแตกต่างกันนะคุณบรรจุเราก็ยังนะนะนะนะดีนะสังเกตดูนั่งกรรมฐานในห้องกับไปนั่งที่โคนไม้เนี่ยอันไหนธรรมะจะเกิดขึ้นมากละ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าวันแรกอาจจะไม่ได้ดีนะแต่ว่าลองนานๆอย่างน้อยๆสักครึ่งเดือนกันนนะอาจจะเห็นชัดแต่สังเกตแล้วบางท่านเนี่ยนะเห็นว่าการอยู่โคนไม้เนี่ยกุศลเจริญเทิงกับสมาทานทุดงไงสมาทานทุดงข้อที่ว่าอยู่รุกขมูลเนี่ยนะอยู่โคนไม้เป็นวัดวัดที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อการขัดเกลารเพราะว่าในช่วงที่อยู่ในโคนไม้เนี่ยนะ มันมีสังเวชวัตถุอย่างหนึ่งเห็นง่ายๆก็คือใบไม้มันร่วงให้เห็นเรื่อยๆถ้าคนที่น้อมมาพิจารณาสังขารตัวเองบ่อยๆก็จะได้สลดสังเวชใจได้ง่ายและอย่างหนึ่งมันไม่กล้าคิดไม่ดีหรอกไปนั่งอยู่แถวโทนไม้ใช่ไหมคิดไม่ดีเออถ้าผีมีต้นไม้นี่จะว่าไงเนี่ยคิดไม่ดีบาปนะเดี๋ยวเทวดาอายเทวดาฮิริโอตปะเกิดเลยอย่างเงี้ย<อ>เดี๋ยวบอกเอ๊ะพระรูปนี้ กิแร ก, กว่ามาม า, มาปฏิบัติกรรมฐานทำไมมานั่งปล่อยให้จิตเป็นบาปนะเทวดาคงจะออกมาวเระนะวันนี้เห็นลงพี่มานั่งอ่านพระสูตรกลางแจ้งเลยสงสัยจะสมาทานอะไรไม่ทรบทีนี้พวกลูกเทวดาทั้งหลายเนี่ยปราศจากเดชนะก็คือเดชฤทธิ์กำลังเนี่ยหมดเลยเพราะเดชของพิสุผู้มีศีลทั้งหลาย ก็ลงจากวิมานของตนของตนแล้วก็พาเด็กทั้งหลายเที่ยวไปข้างนี้ข้างนู้นทีท่านก็อุปมาเหมือนกับว่าเมื่อโอกาสในเรือนของชาวบ้านทั้งหลายถูกพระราชาหรือมหาอัมมัดของพระราชายึดครองแล้วชาวบ้านทั้งหลายออกจากเรือนไปอยู่ที่อื่นคอยมองดูแต่ไกลว่าเมื่อไรเนอจจกไปเสียชื่อแม้ฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ฉันนั้นและทิ้งวิมาขนของตนของตนเที่ยวไปข้างนี้ข้างนู้น คอยเเรดูแต่ไกลเทว่าเมื่อไหรเนาะพระคุณเจ้าทั้งหลายจักไปเสียนะเทวดาเนี่เดือดร้อนเลยนะเขบอกว่าพระมีศีลมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเทวดานี่ชักเดือดร้อนแนละ้วมันจะไปอยู่ในวิมานก็ไม่ได้นะคล้ายๆกับท่านเถ้อุปมาใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยนะพวกชาวบ้านนี่ก็ต้องไม่ค่อยมีที่อยู่และเดือดร้อนแต่แถบแต่นั้นเทวดาเหล่านั้นก็เลยคิดร่วมกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้าจําพรรษาอยู่ ตลอดสมเดือนแน่แท้แต่พวกเราจักไม่อาจาเพื่อจะพาเด็กทั้งหลายมาลงมาอยู่นานถึงเพียงนั้นเอาเถิดพวกเรานีจักแสดงอารมณ์อันน่ากลัวแกพิกสูทั้งหลายและเทวดาเหล่านั้นก็ได้เนรมิต ร, รูปยักษ์ทั้งหลายที่น่ากลัวในเวลาพิสูทั้งหลายทำสมณธรรมในายามราตรียืนอยู่ข้างหน้านะเรียกว่าพีหลอกบางท่นเถิำนวนเราะนะเหมือนไม่นาพระขนงป่ะเหนมัน ก็ส่งเสียงร้องน่าสะเพรงกลัวเมื่อพิสูจทั้งหลายเห็นอยู่ซึ่งรูปเหล่านั้นและฟังเสียงนั้นแล้วหัวใจก็หวันไหวนะสแสดงว่าเจอปฏิฆานิมิตเข้าเจอเครียกอนิถารมเข้าเจออารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาเนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยศพเดินได้มาให้เห็นเนี่สนุกว่าไม่สนุกแล้วเนาะนะพิสูจน์ทั้งหลายก็มีวันะเศร้าหมองใช่ไหมหัวใจที่วันไหวเนี่ยเครียดลนะโทสะนี่เกิดก็เกิดโรคผอมเหลืองด้วยเหตุนั้นพิสูจเหล่านั้น จึงไม่อาจเพื่อทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้ไม่สามารถที่จะทําให้มันสงบแนบแน่นเป็นไปกับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เมื่อพิสูจน์เหล่านั้นมีจิตไม่มีอารมณ์เดียวและสลดสังเวชบ่อยๆเพราะกลัวอารมณ์นั้นสติก็หลงลืมก็คือกุศลจิตไม่ค่อยเกิดนะโทสะเกิดบ่อยๆขึ้นแต่นั้นเทวดาทั้งหลายก็ประกอบอารมณ์ทั้งหลายอันมีกลิ่นเหม็นแก่พิสูจนผู้หลงลืมสติเหล่านั้นอีกนะ ใช้ทั้งสีใช้ทั้งเสียงแล้วก็ใช้กลิ่นมาหลอกอย่างเง้ยนะมันสมองของพิสูจน์เหล่านั้นเป็นเหมือนถูกบีบคั้นด้วยกลิ่นเหม็นนั้นก็บอกว่าสมก็เรียกวเหม็นจนเวียนหัวนะเวทนาในศีรษะอันแรงกล้าได้เกิดขึ้นแล้วและพิสูจน์ทั้งหลายก็ไม่บอกประพฤติการเหล่านั้นให้แก่กันและกันท่านก็อดทนนะแต่ละคนเนี่ยพอศึกษากรรมาฐานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันละเรื่องนี้นิดหน่อยแค่นี้ไม่บ่นให้คันฟังอยู่มาวันหนึ่ง นะเมื่อพิสษุทั้งหมดประชุมกันยยกตัวอย่างวันอุโบสถเนี่ยเป็นวันที่พระก็มาประชุมกันเพื่อที่จะฟังพระปาฏิโมกข์เนี่ยนะในเวลาบํารุงพระสังฆเถระพระสังฆเถระก็เลยถามว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายเมื่อพวกท่านเข้าสู่ราวป่านี้เพียงวันเล็กน้อยผิวพรรณก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งข้าสะอาดและอินทรีย์ทั้งหลายก็ผ่องใส นะพอวันแรกๆที่มาก็หน้าตาเอื้อิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่ละคนนี่ดูกุศลเจริญเหลือเกินมาเห็นสถานที่อ่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายผายผอมวันณะเศร้ามองมีโรคเป็นโรคผอมเหลืองท่านทั้งหลายในป่า น, นี้มีความไม่สบายอย่างไรหรือนะภิกษุรูปหนึ่งก็เลยเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในกลางคืนเนี่ยผมเห็นและฟังอารมณ์อันหน่าสะเพลัวอย่างนี้และอย่างนี้และสูดกลิ่นเช่นนี้ แสดงว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ดีทักอย่าง้ดยเหตุนั้นจิตของกระผมจึงไม่ตั้งมั่นภิกษุทั้งหมดก็บอกพฤติการนั้นด้วยอุบายนั้นเหมือนกันพระสังฆเถระกล่าวว่าอาุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตการเข้าพรรษาเนี่ยสองครั้งเข้าพรรษาเดือนแปดกับเดือนเดือน9นะสองครั้งนะนี และเสนาสนะนี้พวกเราไม่สบายไม่สปายะนะมาเถอิดอาบุโศพวกเราจะไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทูลถามเสนาสนอันสบายอื่นพิสูจน์เหล่านั้นตอบรับพระเถระว่าดีละท่านนะก็คือดีละก็คือสาธุนั่นเองทั้งหมดก็เก็บงามเสนาสนะถือบาทไม่บอกลาอะไรในตระกูลทั้งหลายเพราะเป็นผู้ไม่คลุกคลีนะไปก็ไม่บอกโยมทราบคำอะไรเงคือคือจิตของท่านเหล่านี้ไม่ไม่ถูกพันอยู่แล้ว หลีไปสู่จาริกถึงกรุงสาวัตถีพิสูุเหล่านั้นไปสู่กรุงสาวัตถีโดยลําดับแล้วก็ไปสู่สํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิสูจเหล่านั้นแล้วจึงตรัสพระดํารันนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราได้บัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวจาริกในภายในพรรษาแล้วเธอทั้งหลายเที่ยวจาริกเพื่ออะไรเนี่ยเอบัญญัติวินัยไม่ใช่หรือ รพระองค์ไม่ใช่พระองค์ไม่รู้นะพระองค์รู้แต่พระองค์นี้เป็นผู้ที่ฉลาดผูกเรื่องว่างั้นถสมควรที่จะทักทายเจรจาปราศัยยังไงเนี่ยพระองค์เนี่ฉลาดผูกเรื่องพิสูจน์เหล่านั้นก็ทูลบอกเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงใคร่ครวนนะตรึกอยู่ก็ไม่เห็นเสนาสนะอันเป็นที่สัปปายะของพิสูจนเหล่านั้นโดยที่สุดแม้สักว่าที่วางตั้งสีเท้าในชมพูทวีปทั้งสิ้น กบอกว่าในโลกเนี่ยนะที่ที่จะสปายะสําหรับที่สุ่ชุดนี้ที่อื่นไม่มีนอกจากตรงนั้นอย่างเดียวเ อ, อสถานที่นี่สำคัญนะคืออย่าว่าสถานที่ในปฏิบัติธรรมเลยยมค้าขายเนี่ยบางคนเนี่ยค้าขายภาคเหนือแล้วลอยู่ดีบางคนนี่อยู่ภาคอืน่นไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยนะแค่ประกอบอาชีพในโลกนี้ก็เหมือนกันบางคนอยู่เมืองภัยไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วดีเป็นลักษณะนี้บางคนอยู่บ้านนี้ไม่ได้งานเลยไปอยู่อีกบ้านหนึ่งขยันขันแข็งยังไง นั้นสถานที่นั้นมีความสําคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าโหสมัยนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะจะหาแต่สถานที่โดยที่ยังไม่ทันเข้าใจคําสอนเลยหาที่ไว้ก่อนงนั้นหาจองที่ก่อนในค่อยศึกษาคําสอนทีหลังเอ๊ะจะไปรู้ได้ยังไงนะว่าสปายะหรือไม่ขั้นแล้ว<ม>พระองค์ก็ตรัสกับพิสูจนเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเสนาสนะอันเป็นที่สบายของพวกเธอไม่มี <S <S พวกเธออยู่ในที่นั้นแหละ พึงถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะได้อยู่ที่นั้นนะจะเป็นพระอารหันต์ที่อื่นเนี่ยอยู่ที่อื่นไม่ได้เป็นพระอารหรันตรอกต้องที่นั่นไปเถิดที่สู่ทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยเสนาสนะนั้นอยู่เถิดก็ถ้าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยแต่เทวดาทั้งหลายก็จงเรียนปริสนี้เรียนปาริสก็คือปาริสก็คือเครื่องป้องกันนั่นเองเอาเครื่องป้องกันนี้ไปแต่สำเนานอีกหนึ่งก็บอกว่าเธอไม่ได้เอาอาวุธไปเหมือนกัน นี้ก็เอาอาวุธไปด้วยนะเหมือกันเพราะปริศนี้จะเป็นเครื่องป้องกันและจะเป็นกรรมฐานของพวกเธอนะและพระองค์ก็ได้ตรัสพระสูตรนี้คือกรณียเมตสูตร อ, อาจารย์บางท่านกล่าวว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ตรัสท่าดํารัฏนี้ว่าไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยเสนาสนะนั้นแหละเออไปอยู่ที่นั่นนะพระองค์ก็ตรัสว่าเออแลภิกษุผู้อยู่ป่า เพงทราบการคุ้มครองนะการคุ้มครองก็คือเมตตาเมตตา2นี่คือ2 อ, อะไรนะสเวลาเช้าเย็นนะเจริญเมตตาเนี่ยสอเวลานะเช้าเย็นทำพัพปริศสองเวลาน ะ, านะาก็เจริญอสุภะกรรมฐานอีกสองเวลาเจริญมรณานุส ต, ติอีกสองเวลาคื อ, คอที่ที่เจริญอันนี้นี่หมายความว่าสลับกับกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยนะ คือบางองค์นี่อาจจะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เหมาะสมกับจติตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาทําอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะขั้นนะด้วยเหตุผลบางอย่างและก็พิจารณามาหาสังเวกขวัตถุอีก8สังเวกขวัตถุก็คือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชสังเวสในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงโทสะนะแต่หมายถึงโอตตะ ป, ปะที่เกิดร่วมกับปัญญาพิจารณารายพิจารณาชาติ พิจารณาการเกิดการเกิดนี้เกิดที่ไหนได้บ้างนะเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเป็นต้นนั่นเองพิจารณาถึงความเกิดพิจารณาเมื่อเกิดแล้วอะไรเกิดต่อโทษของความเกิดก็คือชรานะถ้าไม่อยากแก่ก็อย่ากเกิดนะถ้าแก่แล้วอะไรต่ออีกนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาเสร็จแล้วก็ความตายก็จะฉุดคร่าเอาอไป เขาบอกว่าชาติเนี่ยนะเหมือนกับคนเนี่ยพาไปเที่ยวสวนว่างั้นนะไปอู้สวนนี้ดีจริงๆเลยเนะว่าชาติเป็นลักษณะนั้นชราชราก็เหมือนกับพวกศัตรูนี่มารุมทําร้ายนะไอพยาธิเนี่ก็ทําให้มันอ่อนกําลังอ่ะมรณะก็ฆ่าทิ้งเลยนะว่างั้นก็คือชวนไปชวนไปตานั่นแหละการเกิดในภพใดภพหนึ่งก็เหมือนกับชวนไปตานั่นแหละถ้าถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ดีและอบายจทุกข์อีกสี่อย่างอบายคือ นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานหเห็นหมาขี่เรือที่วัดจากแดงแล้วหมย่ยทำให้สลดสังเวชใจต้องทำความเพียรให้มากเลยนะนึกถึงภาพมันเกาอ่ะโอ้โหลูกตาแทบหลุดเลยนะมันคันจริงๆนะมันไม่ได้คันเล่นๆแล้วมันพร้อมกระดูกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันน้ำลายเนี่ยไหล ย, ยืดสู้จันจาไม่ได้หรอกแต่แต่สรุปแล้วโอ้โหถ้าเจอแบบนั้นเนี่ยนะเดรัจฉานเนี่ยดีกว่านรกนะ แต่เมื่อเทียบกับนรกดีกว่านรกทั้งมากมายแต่ก็หาความสุขยากเหลือเกินะนั้นอบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยจึงเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวทที่น่ากลัวที่สุดนั่นแหละอันนะมหาสังเวทวัตถุอย่างนี้ก็ควรพิจารณาด้วยอํานาจในเวลาเย็นและเวลาเช้นเานะโอ้มีเครื่องมือตั้งเยอะนะทั้งเมตตาทั้งพระปริศทั้งอสุภะทั้งมรณานุสติทั้ง มหาสังเวกขวัตถุเนี่ยนะแสดงว่าระดมมาเพื่อที่จะทําให้เกิดการเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องเมตานั้นก็คืออะไรเมตาก็คือประเภทสสมาธินี้นะประเภทเมตตาภพประริษนั้นก็คือจัดสปายะนะคนที่มีภาพประริตณดีมีเครื่องป้องกันดีนะสถานที่เป็นต้นนี่จะทําให้เกิดสปายะได้และอสุภกรรมฐานก็จะได้ โลพาจะได้ไม่ครอบงมจิตมากนะักมรณานุสติจะได้สลดสังเวทใจเรยบเร่งความเพียรยิ่งสังเวกบวัตุด้วยแล้วนี่ก็จะเกื้อกูลที่จะต้องรีบเร่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นอีกนัยยะหนึ่งนะสังเวกวัตุนัยยะที่สองก็คือชาติชราพยาธิและมรณะ4อย่างลนะนะและอบายทุก์เป็นที่ห้านรกเปรตอสุรกาศเดรัจฉานนี่นับหนึ่ง และก็ทุกมีวัตตะเป็นมูลในอดีตกล่าวถึงทุกที่ผ่านมาในสังสารวัตที่ยาวนานเนี่ยนะมันทุกมากมายขนาดไหนชีวิตในอดีตก็บอกว่าน้ำตาของเธอทั้งหลายที่ที่เสียใจยเพราะพ่อตายอย่างเดียวนะยกตัวอย่างว่าพ่อตายอย่างเดียวนี้ก็มากนายมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แล้วละ่ะแม่ตายอีกพี่ตายน้องตายญาติตายโอ้รวมเบ็เสร็จในกี่สมุทรนี่เห็นไห ชาตินี้กี่ขันนะชาตินี้บางคนี่เจ้าน้ําตานี่ก็เป็นขันขันเหมือ น, นนะอ่าแล้วก็พูดถึงทุกมีวัตฏะเป็นมูลในอนาคตถ้าหากว่าเธอทั้งหลายไม่รู้อริยสัจนะมันจะต้องทุกไปอีกขนาดไหนเพราะว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะยังเหลือกองทุกเท่ากับ7เมล็ดพันธุ์กาศใช่ไหมนะเหมือนกับอะไรสักเล็กๆน้อยน้เม็ดเนี่ยแต่ทุกของปุตุชนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยพอๆกับ ขุนเขาซีเนรุว่างันคุณเขาหิมมาวันเนี่ยนะซึ่งมันใหญ่โตเหลือเกินนั้นทุกของผู้ที่ยังไม่รู้อริยสัจเนี่ยที่จะมีต่อไปข้างหน้าเนี่ยมากมายยิ่งนักแล้วก็ทุกมีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลในปัจจุบันทุกเกิดจากการฉันเนี่ยเออทุกจริงจริงนั่นแหละเนี่ตั้งแต่เขาประกอบแล้วเนี่ยโอ้ยดูทั้งผัดทั้งกว่าจะล้างกว่าจะตั้งกับปลูกเลยนะตั้งกับระบบกว่าจะมากินขับย่อยขับถายอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยมันทุกจริงจริงนะเรื่องอาหารเนี่ย ไม่สนุกเลยนะแต่ก็มันอร่อยนะอันที่จริงนะครับเรื่องสังเวควัตถุแปดนี่นะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องจำให้ได้เลยนะสังเวควัตถุแปดเนี่ยต้องควรจำให้ได้นะชาติชราพยาธิมล น, นะเนี่ยนะครับการสแสวงอาหารความทุกข์ยากจากการสแสวงอาหารของสัตว์โลกเนี่ยน่าคิดมากเลยสังเกตเห็นได้มากเลยขับรถไปตามถนนนี่เห็นเลย ไปที่ไหนก็เห็นธาตุกรรมกรอาชีพที่ลําบากลําบนเห็นนะคือเพราะอาหารอย่างเดียวเนี่ยนะมันมันเป็นที่มาของชีวิตอีกตั้งหลายเรื่องเลยเพราะผู้ที่รู้ว่าสัพเพสตาหารติติการเนี่ยนะรู้อันนี้ดีจริงๆเนี่ยนิพานได้เพราะเรื่องของอาหารเนี่ยนะคำว่าอาหารนี่แปลว่านํามาหรือปัจจัยนั่นเองนะอาหารนํามาซึ่งอะไรข้าวของเครื่องใช้ที่เรา ไม่ใช่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งกามคุณห้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทำให้ร่างกายผิวพันธ์นะสองนำมาซึ่งเสียงอาหารนำมาซึ่งกลิ่นอาหารนำมาซึ่งรสและนำมาซึ่งโพธะะนะคือกาลังกายเป็นตัวนั้นก็คือพวกโพธะภารมพวกจิตชาวายโยนั่นเองดังั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปก็คือนามาซึ่ง <c oughs> กา ม, ามคุณทั้งห้านั่นเอง